แปดปฏิโปปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยประทีปเก้าร้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสง์มากอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมาก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 มีอานิสง์มากภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้โดยมากก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่นี้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้กายก็ไม่ลำบากจักษุก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมัน่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าแม้กายของเราก็ไม่พึงลำบากจักสุของเราก็ไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นก็พึงมนัสการอานาปานสตินี้แลให้ดี หากพิสูจในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงละความคิดถึงและความดำริอันอาศัยเรือนเสียก็พึงมนานสิการานาปานัสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกรูในสิ่งไม่ปฏิกรูอยู่ ก็พึงมนสิการนาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกรูในสิ่งปฏิกรูอยู่ก็พึงมนสิการนาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมาย รู้ว่าปฏิกรูในสิ่งไม่ปฏิกรูและสิ่งปฏิกรูอยู่ก็พึงมนานสิการอาณาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกรูในสิ่งปฏิกรูและสิ่งไม่ปฏิกรูอยู่ก็พึงมนานสิการอาณาปานสตินี้แลให้ดี หากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงเว้นทั้งสองนั้นคือสิ่งไม่ปฏิกรูและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนานสิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงสงัดจากกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมมชานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ก็พึงมนานัสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุจนในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะวิตตกวิจารสงบรงะงับไปเราพึงบรรลุทุติยฌาน ที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ก็พึงมานิาการอานาปานสติสมาธิ น, นี้แลให้ดีหากพิสุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะปีติจางคลายไปเราพึงมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมณสิการนาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุจ์ในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วเราพึงบรรลุจะตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็พึงมณสิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสูในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌาน โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงก็พึงมณสิการนาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่า เราพึงล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรก็พึงมณสิก า, านาปานสติสมาธินี่แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุเนวสัญญานาสัญญายาตนะฌานก็พึงมนสัสิการอานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงหวังว่าเราพึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายาตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธก็พึงมนัสิการอานาปานสติสมาธิ นี้แลให้ดีภิกษุทั้งหลายเมื่ออนาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลทําให้มากแล้วอย่างนี้ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุน่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนารู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่า ไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาก็เป enfin ็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอัตุขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอัตุขมสุขเวทนานั้น